เรื่องเด็กเลี้ยงแกะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่บนเนินเขาแห่งหนึง่งชาวบ้านที่นั่นมีอาชีพทำไร่ทำนาบ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ทุกวันพ่อแม่จะต้องเข้าไปทางานในเมืองเหลืออยู่เพียงเด็กน้อยเกเรคนหนึ่งเขาเกลียดครานการไปโรงเรียนตั้งแต่เล็ก สุดท้ายพ่อกับแม่จนปัญญาเลยให้เฝ้าฝูงแกะอยู่ในหมู่บ้านแทนทุกวันเขาจะมีหน้าที่พาฝูงแกะไปกินหญ้าที่ชายป่าไกลหมู่บ้านออกไปเล็กน้อยระหว่างนั่งรอแกะเล็มหญ้า เด็กน้อยรู้สึกว่าช่างเป็นเวลาที่แสนยาวนานและน่าเบื่อหน่ายเป็นที่สุดจนเขาต้องหาอะไรสนุกสนุกทำเพื่อฆ่าเวลาตามประษาเด็กเกเรไม่ว่าจะเป็นแกล้งยิงนกหรือไม่ก็จับแมงปอมาเด็ดปีกด้วยคิดว่ามันคือเกมที่ท้าทายและสนุกในตอนนั้นเด็กๆฟังแล้วอย่าเอาอย่างนะคะวันหนึ่ง ระหว่างนั่งรอแกะเลมญ้าเด็กเลี้ยงแกะเห็นภาพชาวบ้านเดินแบกซิวขวานออกไปทำมาหากินตามปกติก็นึกอยากแกล้งชาวบ้านให้โกลาห์นเล่นเกมนี้จะต้องทำให้เขาหัวเราะจนท้องแข็งแน่ๆคิดดังนั้นแล้วแผนการสร้างเรื่องก็เกิดขึ้นในทันใดเด็กน้อยแกล้งตะโกนขึ้นทันทีว่าช่วยด้วย ช่วยด้วยหมาป่ามากินฟูงแกะย่าแล้วย่าแล้วเร็วๆมาทางนี้ชาวบ้านหลายคนต่างช่วยเอาจอบเสียมวิ่งหน้าตั้งมาทางเด็กเลี้ยงแกะเอาใจเย็นๆใจเย็นๆใหหนหนูไหนไหนอยู่ไหนหมาป่าเดี๋ยวจะจัดการให้อหมาป่าวิ่งไปทางโน้นแล้ว ชาวบ้านวิ่งไล่กวดไปทางที่เด็กชี้สักพักก็กลับมาด้วยความชงนยังความขำขันให้เด็กเลี้ยงแกะยิ่งนะักไหนข้าไม่เห็นมีสักตัวเองลิโกโหกข้าหรเดี๋ยวปัดแผ่นกระ บ, บานให้เลยเขากลัวถูกทำโทษจึงแกล้งเลี่ยงไปว่า วันต่อมาเขาคิดแผนที่ขนองยิ่งขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาอีกแล้วหมาป่ามากินฟูงแกะเหมือนเมื่อวานเลยชาวบ้านวิ่งหน้าตั้งมาเหมือนเดิมค่ะอ้าวไอ้หนมไม่เห็นมีสักตัวนี่อยู่ไหนเราหมาป่าเออไอ้หมอนี่นเล่นพีเลหรือป่านี่เ ชาวบ้านชี้หน้าดุฆาโทษว่าข่าจะเตือนเองไว้นะหรือยังเล่นตลกพน้องแบบนี้อีกข้าและชาวบ้านจะไม่มาช่วยต่อไปแล้วใช่เลยไม่ต้องมาอีกแล้วเสียเวลาทำมาหากินจริงๆเลยไอเด็กเลี้ยงแกมาขอข่าหัวสักทีให้หายแค้นเธอเก่งจริงลุก็วิ่ ง, งให้ทันผมได้แทนที่เด็กเลี้ยงแกะจะสานึกในความผิดกลับเสวยสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ด้วยการหัวราอให้กับความสำเร็จของตนเองจนวันรุ่งขึ้นเวรกรรมได้ตามมาสนองเด็กเลี้ยงแกะอย่างทันตาเห็นคราวนี้หมาป่ามาจริงๆค่ะมากันเป็นฝูงซะด้วย การคราวนี้ชาวบ้านรู้ทันไม่มีใครสนใจเสียงร้องเรียกของเด็กเลี้ยงแกะเลยต่างคนต่างทามาหากินกันตามปกติหมาป่าก็เลยจับแกะกินจนหมดฝูงเหลือเพียงแต่เด็กเลี้ยงแกะนั่งร้องไห้โฮอยู่ตรงนั้นนั่นเอง แล้วนิทานก็จบลงเห็นไหมคะลูกโทษของการโกหกพูดเท็จจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นขาดความเชื่อถือเพราะถึงตอนสำคัญจะต้องพูดจริงขึ้นมาบ้างคนอื่นก็ไม่เชื่อถือเสียแล้วสุดท้ายก็ได้รับอันตรายเองคนชอบพูดเท็จนั้นถือเป็นคนพานสิ้นคิดเป็นคนขาดเปา ต้องปั้นเรื่องและคอยจดจําว่าตัวเองพูดอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวคนจะจับได้จึงเป็นที่น่ารังเกียจไม่น่าคบหน่าไว้ใจเลยการพูดเท็จมีโทษหลายระดับนะคะสําหรับเรื่องเด็กเลี้ยงแก่นี้มีโทษมากถือเป็นตัวอย่างของการปั้นน้ำเป็นตัวทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเพื่อความสนุกขนองของตัวเอง เด็กๆคะแม้การพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดเล็กๆน้ยๆในชีวิตประจำวันก็อย่าได้เพาะนิสัยนี้ขึ้นโดยเด็ดขาด น, นะคะอย่างเช่นทำผิดแต่กลัวถูกว่าถูกลงโทษจึงรีบปฏิเสธเอาไว้ก่อนบอกคุณพ่อคุณแม่ไปตามตรงเถอดคะ่ะคนผิดและรู้จักยอมรับผิดนั้นผู้ใหญ่ไม่เพียงแต่พร้อมจะให้อภัยหรอกนะคะ แต่ลูกกลับจะได้รับการสันเสริญอีกด้วยล่ะค่ะ